หนังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรมกุณาพรปออประยุโตภาคสาม ตอน6ชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรบทที่21บทความประกอบที่4ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ มีคำถามและคำกล่าวเชิงค่อนว่าพระพุทธศาสนาที่ได้พบบ่อยครั้งซึ่งน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเนื้อความในบทตอนที่ผ่านมาเห็นควรนำมาพิจารณาในที่นี้คือคำพูดทำนองว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ละตัณหาไม่ให้มีความอยากเมื่อคนไม่อยากได้ไม่อยากร่ารวยจะพัฒนาประเทศชาติได้อย่างไรคาสอนของพระพุทธศาสนาขัดขวางต่อการพัฒนา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 คำถามและคำค่อนว่าสองข้อนี้ฟังดูเหมือนว่าจะกระทบหลักการของพระพุทธศาสนาตลอดสายตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านจนถึงการปฏิบัติเพื่อบรรุัมรคนิพพานหรือตั้งแต่ระดับโลกีจนถึงโลกุตระแต่ที่จริงความสงสัยหรือการค่อนว่านั้นมีได้กระทบอะไรต่อพระพุทธศาสนาแต่กลับสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ที่สงสัยหรือค่อนว่าก็ตามไม่เข้าใจทั้งธรรมชาติของมนุษย์และมองพระพุทธศาสนาไม่ออกความเข้าใจพรามัวสับสนที่เป็นเหตุให้เกิดคำถามและคำค่อนว่าเช่นนี้มีอยู่มากแม้แต่ในหมู่ชาวพุทธเองและเป็นปัญหาเกี่ยวกับถ้อยคำหรือเป็นเรื่องทางภาษาด้วยจุดสำคัญคือคนทั่วไปได้ยินว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ละตันหา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 แต่ความอยากไม่ใช่คือตันหาความอยากเป็นตันหาก็มีไม่เป็นตันหาก็มีความอยากที่ดีซึ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมและต้องใช้ในการพัฒนามนุษย์ก็มีความอยากนี้เป็นเรื่องใหญ่จะต้องเข้าใจกันได้ชัดเต็มที่ถ้ามิฉนั้นจะไม่มีทางเข้าถึงพระพุทธศาสนาเรื่องนี้เป็นอย่างไรพูดนาไว้แค่นี้เดี๋ยวอธิบายเรื่องโน้นเรื่องนี้ไป